ยุติว่าด้วยการซักถามถึงลักษณะห้าสบสามสกอท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจกถะปรามาตัตใช่ไหมปอรอใช่สอกอบุคคลมีปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอบุคคลไม่มีปัจจัยปรุงแต่งบุคคลถูกปัจจัยปรุงแต่งบุคคลไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง บุคคลเที่ยงบุคคลไม่เที่ยงบุคคลมีนิมิตบุคคลไม่มีนิมิตใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นย่อห้าิบปอรท่านอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจิกตะปรามาัตใช่ไหมสอกอใช่ปอรรรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื่อกลตนเองมีอยู่ใช่ไหมสอกอใช่ ปรบุคคลมีปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรบุคคลไม่มีปัจจัยปรุงแต่งบุคคลถูกปัจจัยปรุงแต่งบุคคลไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งบุคคลเที่ยงบุคคลไม่เที่ยงบุคคลมีนิมิตบุคคลไม่มีนิมิตใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นย่อละขณะยุติจบ เวัจนะโสทนะว่าด้วยการซักฟอกถ้อยคำห้าสิบห้าสกบุคคลเป็นสภาวะที่ยังรู้ได้สภาวะที่ยังรู้ได้เป็นบุคคลใช่ไหมปรบุคคลเป็นสภาวะที่ยังรู้ได้สภาวะที่ยังรู้ได้บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่ยังรู้ได้ บางส่วนเป็นสภาวะที่ยังรู้ไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าสิบหกสกบุคคลเป็นสภาวะที่แท้จริงสภาวะที่แท้จริงเป็นบุคคลใช่ไหมปรบุคคลเป็นสภาวะที่แท้จริงสภาวะที่แท้จริงบางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่แท้จริง บางส่วนไม่เป็นสภาวะที่แท้จริงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าสิบเจ็ดสกบุคคลเป็นสภาวะที่คงอยู่สภาวะที่คงอยู่เป็นบุคคลใช่ไหมปรบุคคลเป็นสภาวะที่คงอยู่สภาวะที่คงอยู่บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่คงอยู่ บางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่คงอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าสิบปดสกบุคคลเป็นสภาวะที่ปรากฏสภาวะที่ปรากฏเป็นบุคคลใช่ไหมปรบุคคลเป็นสภาวะที่ปรากฏสภาวะที่ปรากฏบางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่ปรากฏ บางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่ปรากฏใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าสิบเก้าสกบุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นบุคคลใช่ไหมปรบุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่มีอยู่ บางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกสิบสกบุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นบุคคลทั้งหมดใช่ไหมปรใช่สกบุคคลเป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นบุคคลทั้งหมดใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นย่อ วเจนะโสธนะจบสิปัญญัตตานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงบัญญาหกสิบเอ็ดสอกอผู้มีรูปในรูปธรรมเป็นบุคคลใช่ไหมปอรอใช่สอกอผู้มีกามในกามธรรมเป็นบุคคลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกสิบสองสอกอ ผู้มีรูปในรูปะธาตุเป็นสัตว์ใช่ไหมปรใช่สกผู้มี <identical UC> กามในกามะธาตุเป็นสัตว์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกสิบสากผู้ไม่มีรูปในอรูปะธาตุเป็นบุคคลใช่ไหมปรใช่สกผู้มีกามในกามะธาตุเป็นบุคคลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น หกส่สกผู้ไม่มีรูปในอรูปธาตุเป็นจัดใช่ไหมปรใช่สกผู้มีกลามในกลามาธาตุเป็นสัตว์ใช่ใไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกสิสกผู้มีรูปในรูปธาตุเป็นบุคคลผู้ไม่มีรูปในอรูปธาตุเป็นบุคคลและบางคนจุติจากรูปธาตุแล้วเข้าถึงอรูปธาตุใช่ไหม ปอรอใช่สกบุคคลผู้มีรูปขาดศูนย์บุคคลผู้ไม่มีรูปเกิดได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกสิบหกสกผู้มีรูปในรู ป, ปราธาตุเป็นสัตว์ผู้ไม่มีรูปในอรู ป, ปราธาตุเป็นสัตว์และบางคนจติจากรู ป, ปราธาตุแล้วเข้าถึงอรู ป, ปราธาตุมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สก สัตว์มีรูปขาศูนย์สัตว์ไม่มีรูปเกิดได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกสิกเมื่อบัญญัติว่ากายกับสิริระหรือบัญญัติว่าสิริระกับกายให้มีความหมายว่ากายโดยไม่แยกสิริระกับกายนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรใช่ สกเมื่อบัญญัติว่าบุคคลกับชีวะหรือบัญญัติว่าชีวะกับบุคคลให้มีความหมายว่าบุคคลโดยไม่แยกชีวะกับบุคคลนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปอรอใช่สกกายกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรอใช่สก ชีวากับสิริระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนิพพหะดังต่อไปนี้เมื่อบัญญัติว่ากายกับสิริระหรือบัญญัติว่าสิริระกับกายให้มีความหมายว่ากายโดยไม่แยกสิริระและกายนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันเมื่อบัญญัติว่าบุคคลกับชีวะ หรือบัญญัติว่าชีวะกับบุคคลให้มีความหมายว่าบุคคลโดยไม่แยกชีวะกับบุคคลนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันกายกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าพระพเจ้ายอมรับว่าเมื่อบัญญัติว่า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 ชีวะและบุคคลนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันกายกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันแต่ไม่ยอมรับว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเมื่อบัญญัติว่ากายกับสิริระหรือบัญญัติว่าสิริระกับกาย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 หรือบัญญัติว่าสรีระกับกายให้มีความหมายว่ากายโดยไม่แยกเิริระและกายนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมสกใช่ปรรพระผู้มีประภาคตราสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรร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 มีสภาพเหมือนกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่แต่ไม่ยอมรับว่ากายกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคํานั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ากายกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเมื่อบัญญัติว่ากายกับเิริระหรือบัญญัติว่าเซริระกับกายให้มีความหมายว่ากายโดยไม่แยก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 ว่าด้วยการซักถามถึงคติหกสิบเก้าสกบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลคนเดียวกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดสิบสก บุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลคนละคนกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น71สกบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่ สกบุคคลทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจสิบสองสกบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็ม่ใช่ จะว่าเป็นคนละคนกันก็ไม่ใช่ท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจสิบสามสกบุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลคนเดียวกันบุคคลคนละคนกัน บุคคลทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็ไม่ใช่ท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็สิบสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสกใช่ ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะทำที่สุดทุกได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปมีอยู่จริงนีใช่หรือสกใช่ปรดังนั้นบุคคลจึงท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้เจ็ดสิบห้าปรท่านไม่ยอมรับว่า บุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสกใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสาร น, นี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาขี่ขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ สกใช่ปรดังนั้นบุคคลจึงท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้เจ็ดสิบหกสกบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดสิบเจ็ดสอกอบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปอร์ใช่สอกรบุคคลบางคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาก็มีใช่ไหมปอรใช่สอกรมนุษย์กับเทวดาเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เจสบดสกมนุษย์กับเทวดาเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปอรอใช่สกหากบุคคลเป็นมนุษย์แล้วจึงเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วจึงเป็นมนุษย์ดังนั้นผู้เกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาจึงเป็นคนละคนกันคำที่ว่าบุคคลผู้เกิดเป็นมนุษย์คนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิดอันหนึ่ง หากบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวไปจุติจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นนม่ใช่คนละคนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ความตายก็จักไม่มีแม้แต่ปานน า, าติบาก็ยังรู้ไม่ได้กรรมมีอยู่ผลของกรรมก็มีอยู่ผลของกรรมทั้งหลายที่ทาแล้วก็มีอยู่เมื่อกุศลและอคุศลให้ผลอยู่คำที่ว่าบุคคลคนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิด เจ็ดสก้าบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นยักษ์มีอยู่เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ติรชานเป็นอูดเป็นโคเป็นลาเป็นสุกรเป็นกระบือมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก มนุษย์กับกระบือเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดสิบสกมนุษย์กับกระบือเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลเป็นมนุษย์แล้วเป็นกระบือเป็นกระบือแล้วเป็นมนุษย์ดังนั้นผู้เกิดเป็นมนุษย์กับกระบือจึงเป็นคนละคนกันคำที่ว่า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 คำที่ว่าบุคคลคนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิด8ปสิบเอ็ดกบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางคนเป็นกษัตริย์แล้วเป็นพราหมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกษัตริย์กับพราหม์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหม ปร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปสบสองสกบุคคลบางคนเป็นกษัตริย์แล้วเป็นแพทย์เป็นสูตรมีอยู่ใช่ไหมปรอร์ใช่สกกษัตริย์กับสูตรเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปสิบสามสกบุคคลบางคนเป็นพรามแล้วเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นกษัตริย์มีอยู่ใช่ไหม ปอร์ใช่สกพราม์กับกษัตริย์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปสิบสี่สกบุคคลบางคนเป็นแพทย์แล้วเป็นสูตรเป็นกษัตริย์เป็นพรามณ์มีอยู่ใช่ไหมปอร์ใช่สกแพทย์กับพราหมณ์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดสิบห้า สกบุคคลบางคนเป็นสูตรแล้วเป็นประศัตรเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกสูตรกับแพทย์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปสิบหกสกบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปอรอใช่สก คนมือด้วนก็เป็นคนมือด้วน อ, วย u, อยู่เหมือนเดิมคนเท้าด้วนก็เป็นคนเท้าด้วนอยู่เหมือนเดิมคนมีมือและเท้าด้วนก็เป็นคนมีมือและเท้าด้วนอยู่เหมือนเดิมคนหูวิ่นคนจมูกโวคนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกโวคนนิ้วด้วนคนมีหัวแม่มือหัวแม่เท้าด้วนคนเอ็นใหญ่ขาดคนมือหงิกคนมือแปรคนเป็นโรคเรือนคนเป็นโรคต่อมคนเป็นโรคกลาก คนเป็นโรคมองคล่อคนเป็นโรคลมบ้าหมูอูดก็เป็นอูดอยู่เหมือนเดิมโคลาสุกรกระเบือก็เป็นกระเบืออยู่เหมือนเดิมใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปสิบเจดปอร์รท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสอกอใช่ปอร์ บุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากมนุษยโลกไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นไม่ใช่หรือสกใช่ปรห้ากบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากมนุษยโลกไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้แปสิบปดสกเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากมนุษย์โลกไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นโซดาบันอยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นจึงยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่า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 จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลไม่ใช่คนละคนกันไม่แปรผันท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น90สกบุคคลไม่ใช่คนละคนกันไม่แปรผันท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรใช่สกคนมือด้วนก็เป็นคนมือด้วนอยู่เหมือนเดิม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 โคลาสุกรกระเบือก็เป็นกระเบืออยู่เหมือนเดิมใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น91สกบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปอรอใช่สกเป็นผู้มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเป็นผู้มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรใช่สกชีว่ากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นผู้มีเวทนาเป็นผู้มีสัญญาเป็นผู้มีสังขารเป็นผู้มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นผู้มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรใช่ สกชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น92สกบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สกเป็นผู้ไม่มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, นสกนเป็นผู้ไม่มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหม ปรใช่สกชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นผู้ไม่มีเวทนาเป็นผู้ไม่มีสัญญาเป็นผู้ไม่มีสังขารเป็นผู้ไม่มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นผู้ไม่มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรใช่สก ชี้ว่ากับสิริระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น93สอกอบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรใช่สอกอรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรใช่ สกชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรใช่สกชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น94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 สกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรอใช่สกชีว่ากับสิริระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นยออ่อสกเมื่อขันแตกดับหากบุคคล น, นั้นแตกดับ ก็จะเป็นอุเชททิฐิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเว้นเมื่อขันแตกดับหากบุคคลไม่แตกดับบุคคลก็จะเที่ยงเสมอเหมือนนิพพานคติอนุโยคะจบสิบสอง อุปาทาปัญญัตานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงอุปาธาบัญญตัติ95สกเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปอรอใช่สกรูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปอรอใช่ สกแม่บุคคลก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น96สกเพราะอาศัยเวทนาเพราะอาศัยสัญญาเพราะอาศัยสังขารเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปอรอใช่สก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 สกเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยรูปสีเขียวจึงบัญญัติบุคคลสีเขียวใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยรูปสีเหลืองเพราะอาศัยรูปสีแดงเพราะอาศัยรูปสีขาวเพราะอาศัยรูปที่เห็นได้เพราะอาศัยรูปที่เห็นไม่ได้เพราะอาศัยรูปที่กระทบได้ เพราะอาศัยรูปที่กระทบไม่ได้จึงบัญญัติบุคคลที่กระทบไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น98สกเพราะอาศัยเวทานาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยเวทนาที่เป <ส bland S 2> ็น<ส>ก <ส tähän S 1> ุศล จึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมปรใช่สกเวทนาที่เป็นกุศลมีผลมีวิบากมีผลหน้าปรารถนามีผลหน้ายินดีมีผลหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกแม้บุคคลที่เป็นกุศลก็มีผลมีวิบากมีผลหน้าปรารถนามีผลหน้ายินดี มีผลน่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิปากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๙๙สกเพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นอกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เพราะอาศัยเวทนาที่เป็นอกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกเวทนาที่เป็นอกุศลมีผลมีวิบากมีผลไม่น่าปรารถนามีผลไม่น่ายินดีมีผลไม่น่าพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกแม้บุคคลที่เป็นอกุศลก็มีผลมีวิบาก มีผลไม่น่าปรารถนามีผลไม่น่ายินดีมีผลไม่น่าพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ 100. ่งร้อยสกเพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นอพยกริตจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอพยกฤตใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นอัพยกฤิตจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอัพยกฤิตใช่ไหมปอรอใช่สกเวทนาที่เป็นอัพยกฤิตไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปอรอใช่สก แม่บุคคลที่เป็นอัพยากฤษก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยหนึ่งสกเพราะอาศัยสัญญาเพราะอาศัยสังขารเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรอใช่สก เพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยวิ ญ, ญญาณที่เป็นกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมปรใช่ ส, สกวิ ญ, ญญาณที่เป็นกุศลมีผลมีวิบากมีผลหน้าปรารถนามีผลหน้ายินดีมีผลหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไร มีสุขเป็นวิบากใช่ไหมป ร, รใช่สกแม้บุคคลที่เป็นกุศลก็มีผลมีวิบากมีผลน่าปรารถนามีผลน่ายินดีมีผลน่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นคำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อสองสอกเพราะอาศัยวิญ ญ, ญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหม ปอรอใช่สกเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอกุศลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอกุศลจึงบัญ ญ, ญัติบุคคลที่เป็นอกุศลใช่ไหมปอรอใช่สกวิญ ญ, ญาณที่เป็นอกุศลมีผลมีวิบากมีผลไม่น่าปรารถนามีผลไม่น่ายินดีมีผลไม่น่าพอใจ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 เพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอพยกริตจึงบ like mhm ัญญัติบุคคลที่เป็นอัพยกริตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอพยกริตจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอพยกริตใช่ไหมปรใช่สกวิญญาณที่เป็นอพยกฤตไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 สกเพราะอาศัยจากสุท่านจึงยอมรับว่าบุคคลมีจากสุใช่ไหมปอรอใช่สกเมื่อจากสุดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้มีจากสุดับใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัย โ, โสตะเพราะอาศัยคานะเพราะอาศัยชิวหาเพราะอาศัยกายเพราะอาศัยมโนโท่านจึงยอมรับว่า บุคคลผู้มีมนโนชมใช่ไหมปรใช่สกเมื่อมนโนดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้มีมโนดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยห้าสกเพราะอาศัยมิจฉาทิฐิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลเป็นมิจฉาทิฐิใช่ไหมปรใช่สกเมื่อมิจฉาทิฐิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่า บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยมิจฉาสังกัปปะเพราะอาศัยมิจฉาวาจาเพราะอาศัยมิจฉากรรมันตะเพราะอาศัยมิจฉาอาชีวะเพราะอาศัยมิจฉาวายามะเพราะอาศัยมิจฉาสติเพราะอาศัยมิจฉาสมาธิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลเป็นมิจฉาสมาธิใช่ไหมปรใช่ สกเมื่อมิจฉาสมาธิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาสมาธิดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยหกสกเพราะอาศัยสัมมาทิฐิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฐิใช่ไหมปรใช่สกเมื่อสัมมาทิฐิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฐิดับใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสปเพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะเพราะอาศัยสัมมาวาจาเพราะอาศัยสัมมารกรรมันตะเพราะอาศัยสัมมาอาชีวะเพราะอาศัยสัมมาวายามะเพราะอาศัยสัมมาสติเพราะอาศัยสัมมาสมาธิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาสมาธิใช่ไหมปอรอใช่สป เมื่อสัมมาสมาธิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาสมาธิดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเจ็ดสกเพราะอาศัยรูปเพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สอกเอพราะอาศัยขันสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ เพราะอาศัยรูปเพราะอาศัยเวทนาเพราะอาศัยสัญญาเพราะอาศัยสังขารเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยขันห้ญญาจึงบัญญัติบุคคลห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยแปดสกเพราะอาศัยจักรคายตนะเพราะอาศัยโสตายตนะจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหม ปรใช่สกเพราะอาศัยอายตนะสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยจักขายาตนะเพราะอาศัยโสตายาตนะเพราะอาศัยธรรมายาตนะจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยอายตนะสิจึงบัญญัติบุคคลสิบสองใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นรอเก้าสกเพราะอาศัยจักขู่ธาตุเพราะอาศัยโสตธาตุจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยท่าสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยจักขู่ธาตุเพราะอาศัยโสตธาตุเพราะอาศัยธรรมธาตุจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหม ปรใช่สกเพราะอาศัยท่า18ดจึงบัญญัติบุคคล18ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสิบกเพราะอาศัยจากขุนสี่เพราะอาศัยโสตินสีจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยอินทรีสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเพราะอาศัยจกักขุนศีเพราะอาศัยโสตินรียเพราะอาศัยอัญญาตาวินศีจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมป ร, รใช่สกเพราะอาศัยอินทรียี่สิบสองจึงบัญญัติบุคคลยี่สิบสองใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้น